ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปฐุมกำลังนำเสนอสติปัฏฐานสูตรในส่วนที่ว่าด้วยอายตนะปะพะคือหมวดที่ว่าด้วยอายตนะคือประเด็นสาคัญก็มีอยู่สองประเด็นหลัก ประเด็นแรกก็คือคนเราแต่ละคนนั้นมีอายตนาภายในหกไปนอกหกอายตนาภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนาภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสปุถะภาธรรมารมเมื่อตาสัมผัสรูปเป็นต้นมันก็จะเกิดความรู้ขึ้นเรียกว่าวิญญาณ อาศัยยนานะภายในภายนอกวิญญาณมากระทบกันสามประการโรเรียกว่าสัมผัสทีนี้ในช่วงของสัมผัสเนี่ยมันอาจจะมีกิเลสในที่นี้ทรงเน้นไปที่สังโยนสิบประการสังโยนสิบประการก็คือกิเลนั่นแหละ เราจะเรียกว่าสมุทัยก็ได้เรียกว่าจะตันหาก็ได้เรียกว่าอะไรก็ได้มันก็อยู่ในสังโยชนิสิประการนั่นแหละแต่สังโยชน์เป็นกิเลสประเภทละเอียดมันก็อยู่ลึกๆอยู่ภายในใจถ้าไม่มีอะไรมา ก, กระตุ้นมันก็ไม่เกิดความรู้สึกกิเลสขึ้น ตำนองใล้ๆกล้ตะกอนที่อยู่ก้นภาชนะลึกๆหนามากๆเราไปกระทบภ า, าชนะเล็กน้อยเนี่ยมันตะกอนมันไม่ขึ้นมาหรอกแต่ว่าตะกอนมีบนจิตใจของคนเราบางคนที่มันมีความสงบลึกๆเนี่ยใครทำอะไรก็ไม่แสดงความโกรความเกลียดความหงุดหงิดความงุ่นงาน ดูเหมือนท่านจะไม่โกรธแต่ที่จริงไม่ใช่ไม่โกรธเพียงแต่ว่าแรงกระตุ้นมันอย่างไม่ถึงกระทําให้โกรธกิเลสเป็นเอกราโกรธก็มีแรงกระตุ้นก็มีเพียงแต่แรงกระตุ้นไม่มีกำลังมากพอที่จะกระตุ้นให้ท่านโกรธท่านก็ไม่โกรธ ในที่นี้ก็สรงสอนให้ดูสังโยชน์ซึ่งมันเกิดขึ้นเวลาสัมผัสนารมณ์ทีนี้การเกิดของสังโยชน์เนี่ยเวลาสอนเวลาส่งแสดงเนี่ยงแสดงจากหยาบไปหาละเอียดแต่ว่าเวลาเกิดมันก็ขึ้นอยู่กับจริตนิสัยของคน มันอาจจะสลับข้อมันอาจจะเอาข้างบนมาขึ้นอาจจะข้างล่างมาขึ้นก็ไม่รู้ล่ะหน้าที่ของเราก็คือมองไปเฉพาะกรณีนั้นๆจะว่าในกนในที่ตาเห็นรูปเนี่ยมันมีสังโยชน์ข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นหรือไม่ก็เลยก็ได้ให้ดูเฉพาะข้อนั้นทีนี้ จะมีสังโยชน์สังใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นก็ทรงสอนโดยโครงสร้างเดียวกับพวกนิวรณดังที่กล่าวมาแล้วว่าภิกษุในธรรมีในนี้ย่อมรู้จักตารู้จักรูปและรู้จักสังโยชน์ที่อาศัยตาและรูปทั้งสองเกิดขึ้น อันหดึ่งสัญญาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นด้วยประการใด ย, ย่อมรู้ชัดด้วยประการนั้นสัญญาณที่เกิดขึ้นแล้วจะล่าเสียได้ด้วยประการใด ย, ย่อมรู้ชัดด้วยประการนั้นสัญญาณที่ล่ได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยประการใด ย, ย่อมรู้ชัดด้วยประการนั้นด้วยนี้เป็นโครงสร้างแม่บทส่วนสัญญาณข้อไหนเกิดก็ดูข้อนั้น ทีนี้ก็อย่างที่บอกแล้วว่าสังโยชน์เป็นกิเลสประเภทที่เป็นตะกรนอนก้นพัชนะแปลว่าเครื่องผูกใจสัตว์เอาไว้หมายความว่าถ้าเขายังอยู่แล้วเราก็หลุดพ้นจากสองสารวัตรไม่ได้แร้อย่างดีก็มีความทุกข์ลดลงบังเกิดในสุคติในพรหมโลกอะไรเนี่ย แต่ว่าจะไปบรรลุมรรคผลเป็นพระยะบุคลมันก็ทำไม่ได้ยังไม่สามารถที่จะทำได้ผมก็จะกล่าวไปตามลำดับสังโยชน์ที่ทรงเรียงไว้จากหยาบไปหาลเียแต่ท่านผู้ฟังต้องเข้าใจว่าเวลาเกิดไม่ได้เกิดเรียงลำดับมาจากนั้น บางจังหวะอาจจะเกิดท่ำท่ำซากในสังโยชน์พ่อใดพ่อหนึ่งมากเป็นพิเศษเช่นว่าคนนุ่งกับหญิงสาวมีความรักใคร่ผูกพันกันคิดถึงกันสังโยชน์ข้อการมราคะก็จะเกิดขึ้นเป็นพิเศษคนที่เป็นสัตรูกันไม่พอใจการนนิย่าคาตมาตรา ก, กันต่างคนต่างก็อยู่ สังโยชประเภทปฏิฆาก็เกิดขึ้นมากเป็นพิเศษอะไรเนี่ยก็แล้วแต่ทีนี้รูปก็อย่างที่ว่ามาแล้วหนึ่งรูปความเกิดของรูปความดับของรูปก็ปฏิบัติได้ถึงหนึ่งความดับของรูปเราพูดมาแล้วในเรื่องขันท่าปะพระย่าที่ทรงแสดงว่า พิสูในธรรมวินัยนี้พิจารณาดังนี้ว่าอย่างนี้รูปอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปอย่างนี้ความดับแห่งรูปอย่างนี้เวทนาคือในรูปนะให้ดูสามอย่างแต่ในอายตนาก็เหมือนกันคือหนึ่งให้รู้จักตาสองรู้จักรูปและรู้จักสังโยชน์อาศัยตาและรูปทั้งสองเกิดขึ้นดูอะไร สังโยชน์ที่ยังไม่เกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดด้วยประการนั้นหมายความว่าสังโยชน์จะเป็นข้อใดก็ตามที่ยังไม่เกิดขึ้นเราก็ดูที่จิตของเราอ่ะก็เห็นว่าเออเวลานี้ไม่มีสังโยชน์ข้อใดข้อหนึ่งก็เกิดขึ้นก็รักษาจิตตรงนั้นไว้ให้ดีอาการที่คนไม่มีกิเลสเกิดขึ้นรุ่มรุมใจได้เนี่ยแหมมันก็บุญนะ มันเป็นคุณภาพของจิตที่ทำให้จิตมันฟองใสสงบเยือกเย็นเกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นพยายามรักษาไม่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ทีนี้จากนั้นก็สังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะลจะเทได้โดยประการใดก็รู้จักโดยประการนั้นคือสังโยชน์ที่ยังไม่เกิด ก็รู้ว่ามันยังไม่เกิดแต่เป็นข้อใดก็ช่างเกิดขึ้นแล้วจะละได้โดยประการใดก็รู้ด้วยประการนั้นทีนี้สังโยชน์ประการแรกเนี่ยก็คือสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐินั้นมันเป็นตัวอัตตานะฮะตัวอัตตาตัวตนที่เรารู้สึกว่าเราเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นอัตลักษณ์อะไรเนี่ยเพราะงั้นมัน เกิดขึ้นมาจากจากการเกาะกลุมและจากสภาพแวดล้อมจากจิตที่ยึดมั่นถือมั่นเอาพูดง่ายว่าจิตยิดมั่นถือมั่นเาว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราอัตตก็เป็นตัวเป็น ต, น, ตนของเราที่เรายึดถือกันอยู่เวลาเนี้ยยึดถืออะไรกันมากมายกายกอเราเป็นนั้นเราเป็นนี้เราเป็นโ น, น้น แล้วก็ยึดถือในความเป็นเหล่านั้นเราเป็นการตาสตร์เราเป็นพราหมณ์เราเป็นแพทย์เราเป็นสูตรบางทียึดถือแล้วมันก็ตัวเองก็ได้โอกาสก็ดีไปแต่บางทียึดถือแล้วตัวเองก็ตกต่ำลงไปก็ไม่รู้จะยึดถือไปทำอะไรแต่ก็มีคนยางยึดถือในแนวอย่างนั้นอยู่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาสามัญชนก็เป็นอย่างนั้นเด็เพราะงั้น สกายทิฐิที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดด้วยความรู้สึกว่าเรานี่เป็นรูปรูปนี่ยเป็นเราเรานี่มีอยู่ในรูปรูปมีอยู่ในเราพอถึงเวทนาเองกรทันก็ไปเห็นอย่างงั้นเนี่ยรวมแล้วว่าเห็นรูปเป็นเราเราเป็นรูปเป็นตนเนี่ยยี่สิบเรื่องเลยกัน พูดง่ายๆว่าเราเป็นขันห้าขันห้ามีอยู่ในเราเรามีอยู่ในขันห้าขันห้ามีอยู่ในเราก็ยึดตักันอยู่อย่างนี้ตราบใดที่ยังเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นอยู่แต่นั้นก็ไม่สามารถที่จะละทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนไปได้ จนถึงกับคนบางคนที่มีความเห็นรุนแรงไอ้นี่เป็นตัวตนที่เราเกลียดมากข่าวฟันเทมไม่รู้ตั้กี่สิบแลยิงเสียจนเละเลย่างที่เขาตายไปตั้งนานแล้วก็ยังยิงนันการแสดงให้เห็นว่ามันมีอัตตาคือตัวตนไปปากอยู่มากไม่รู้มันอยู่ตรงไหนมั น, นตาย ไม่รู้ว่ามันรูปมันอยู่ในตนหรือตนมันอยู่ในรูปหรือรูปมีในตนหรือตนมีในรูปเลยไม่รู้ว่าอะไรบางทีก็ฆ่าชำแหละทิงเป็นชิ้นๆไปเลยนะบางทีก็ยิงจนเละเลยบางทีก็ฟันเด๋ยวไม่รู้จะกี่ร้อยแผลต่งางๆนี่ก็ตายตั้งแต่แผลแผลสองแผลแรกนะนี่ก็คือเป็นอาการอย่างหนึ่งที่เราเห็นมือคนเวลาเรายึดติดเข้ามาในแหมมันยึดติดจริง เป็นยึดติดที่น่ากลัวมากแล้วก็มีความโผฏเทียมมีความรุนแรงมากประการต่อไปวิจิกิสาวิจิกิสานี่มาจากโมหะนะครับมาจากการหลักการโยนิโสมริการคือการคิดโดยอุบายวิธีที่มีเหตุมีผลมีความแยบคาย ระบใดที่เรายังไม่มีระบบความคิดที่สมเหตุสมผลตามสมควรแ ก, ก่กรณีนั้นๆเนี่ยโอกาสที่เราจะบรรเทาความเครือแพลงสงสัยในเรื่องต่างๆล ง, งไปเนี่ยจะทำได้ยากเพราะวิจิกิจษาจึงเป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากโมหะคือความหลงความหลงก็คือความรู้ไม่จริง ไม่รู้เห็นตามความเม็นจริงในสิ่งเหล่านั้นเพราะขาดระบบการคิดที่เป็นระบบไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษเรื่องนรกสวรรค์เรื่องชาตินี้ชาติหน้าเรื่องตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดพ่อแม่มีคุณหรือไม่มีคุณอะไรแต่อะไรแต่ทั้งหมดเนี่ยโอกาสที่เราจะสงสัยเนี่ยมันมีได้ทั้งหมด ถ้าเราระบบการคิดเราไม่มีความแยบคายไม่มีความสมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นความคิดที่แยบคายสมเหตุสมผลจึงมีความจําเป็นที่คนจะต้องมีแล้วก็วิจิตริฉาที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่วิจิริชาที่ิโรละได้แล้วเนี่ยนะวิจิกิจชารสังโยติละได้แล้ว จะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดยอมรู้ชัดด้วยประการนั้นนี้อย่างที่บอกว่าคนที่ละวิจิิจชาได้เนี่ยมันละได้ระดับของพระสุดาบันละได้โดยระดับของพระสุดาบันคืออาศัยศรัทธากับปัญญาอาศัยศีลสมาธิปัญญาแล้วก็อาศัยการดับสังโยชน ได้สมข้อทำให้ทานลาได้เด็ดขาดประการที่สก็คือศีลพัตรปบรมาตเป็นอาการของโมหะประการหนึ่งและเจือดุโรภาเยอะเหมือนกันก็มีการถือมั่นเรวมหน้าศีลวัดที่เคยปฏิบัติมาจนคุ้นชินจนปฏิบัติกันมาจนชิน แล้วก็ไปเข้าใจไปยึดมั่นหรือมั่นไปอย่างนี้ถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องหรอกต้องต้องทำอย่างนี้ต้องทรมานร่างกายอย่างนี้อย่างในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงทรมานพระวรากายเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็แนวที่ศิลปตรประมาทประการหนึ่งพอทรงวินิจฉัยด้วยหลักของโยนิโสมนัสิการ แต่สินปไต้เลิกมาสเสวยประกยายฐารเตรียมพระวรากายให้พร้อมที่จะเปลี่ยนเพียนทางจิตแม้แต่อไรก็บรรลุมรคลเป็นพระหานได้นี่ก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเรายังมีศีลพัตปบรมาตอยู่แม้แต่เรื่องดีดีเนี่ยนะแม้แต่เรื่องดีดีแต่เราไปยึดบ้านถือบัน่นเช่นสมมติว่าเราภาวนาว่าพุโทโธวั พ, พุโทโธเท่านั้นอย่าง อ, างอื่นไม่ถูกต้องอย่างเงี้ย คือว่าเวลาเราภาวนาขึ้นไปในพุโทโธเนเราจะพอใจในพุโทโธแต่ไม่พอใจในคนอื่นในสิ่งอื่นในบทภาวนาว่าอื่นๆในสุท่านก็ไปยึดติดอยู่กับคาว่าพุโทโธเพียงอย่างเดียวแล้วก็นัเข้านัเข้าก็คนอื่นต้องพุโทโธอย่างฉันด้วยแต่ไม่พุโทโธอย่างฉันก็ผิด ปฏิบัติอย่างนี้ไม่ถูกต้องจะต้องภาวนาพุโทโธอย่างจันเลยไปกันใหญ่เลยจิตเนี่ยนี่ก็อายตนะไม่ใช่สังโยคข้อต่อไปก็คือกามราคาพระเจ้ากระรับสั่งเหมือนเดิมว่าภิสูในใธธรรมีไนนี้เป็นผู้รู้จักตา รู้จักรูปรู้จักตารู้จักหูรู้จักจมูกรู้จักกลิ่นรู้จักกายรู้จักใจรู้จักรูปรู้จักเสียงรู้จักกลิ่นรู้จักรสรู้จักหูตารู้จักธรรมารมก็สรุปรู้ฝ่ายละหกก็แล้กันแล้วก็รู้สัโยชน์ที่อาศัยตาและรูปทั้งสองนั้นเกิดขึ้นอาศัยตาและรูปอาศัยเสียงแลหูอาศัยจมูกและกลิ่นก็ว่ากันไปก็แล้วแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรก็ตามคือว่า อายตนาภายในกับอายตนาภายนอกนั้นเป็นเหตุให้เกิดสังโยชน์ได้ด้วยกันทางนั้นอะไรเกิดได้มากเป็นเรื่องความคุ้นชินของคนตรงนั้นตามปกติแล้วเราจะเห็นว่าใจนี่เราคิดได้ไกลหูเราได้ยินได้ไกลตาเราดูได้ไกลจมูกเราสูดดมได้ไกลลิ้นเราสัมผัสได้ใกล กายเราทผัดได้กลแต่มันก็เก็บสะสมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นเอาไว้แล้วก็ทําให้เกิดอาการหมกมุ่นคุนคิดด้วยวิธีการต่างๆซึ่งก็โอกาสที่จะสยบติดกําหนดเพื่อเพลินอยู่กับรูปเป็นต้นเหล่านั้นก็มีอยู่ได้ง่าย ประยข้อต่อไปคือกามราคะกามราคะนี้ให้มองในแนวโน้นก็ได้คือมันมันมันมันจริงๆมันมีกามรมาธาตุคือเชื้อของความใคร่ที่มีอยู่คล้ายๆกับไปเนื้อเยื่อของพูดที่พืชที่มัน ม, ม, มีมีเนื้อเยื่ออยู่อะแม้จะนิดเดียวก็จริง แต่ก็อาศัยก ร, รมิธีทางวิทยาศาสตร์เขาก็สามารถจะเพาะเลี้ยงขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นลําต้นพืชชนิดนั้นๆขึ้นมาได้เพราะภายในใจเรามันก็มีกรรมธาตุแต่ว่ามีทุกตัวเนี่ย น, นะมีกรรมธาตุพยาบาทธาตุวีหิงสาธาตุธรรมธาตุธรรมธาตุก็เรียกว่ามีเชื้อ มีเชื้อของความดีความชั่วอยู่ในที่นี้ก็มีเชื้อของความไม่ดีก็คือกรรมละคา่ะคนเราถ้ามีการมมาธาตุมันก็มีการมสัญญาคือใจจะ ก, กําหนดหมายว่าสิ่งนั้นน่าใคร่น่าปรารถน า, ห น, าหน่าพอใจทีนี้เมื่อมีการมสัญญาก็มีการมสังกับปะคือคิดถึง บ, บ่อยๆ หมุ่นคุ้นคิดถึงเรื่องเหล่านั้นบ่อยๆพอเป็นการมสังกปะก็การมะปริลาหาพอคิดมามันก็เราร้อนนะใจมันก็เราร้อนเราร้อนถึงจิดหนึ่งก็คิดสแสวงหาก็เรียกการมะปริยสนาคือสแสวงหาในสิ่งที่ตัวเองใช่เมื่อสแสวงหาถ้าหากว่ากามมันแรง การสแสวงหาก็ไม่มีทิศทางมั่วเกิดสับสนเกิดผิดเกิดถาทางในทางไม่ชอบไม่ควรเย็นนี้นะพวกเราเมื่อสิทธิในทรัพย์สินของคนอื่นโดยวิธียาบกลางละเอียดอะไรโดยวิธีต่างๆแล้วก็จากนั้นก็เป็นอะไรล่ะเป็นการมาตัดหา ไม่ใช่เป็นกา ร, รมตัณหาเป็นกรรมปริลาหะเป็นกา ร, รมปริเยสนะเป็นกามตัณหาคือได้ในสิ่งที่ตัวเองใคร่มาเพราะใครมันก็โม้มุ่นสิเราถือว่าของเราของเราของเราแล้วใครก็แตะต้องไม่ได้เกิดโทสะเกิดต่อสู้เกิดด่าทอเกิดรบเกิดเบียดเบียนประทุทรายการยืแยงกันอย่าลองสังเกตอ่ะเรื่องบางเรื่องมัน แบบง่ายๆอ่ะเช่นคนไปเบิกเงินมาจากธนาคารคนหนึ่งก็จ้องฉกเอาตรงูหน้ารรประตูธนาคารนั่นเองคนขายวัชพืชมาคนขายพืชขายสตร์ขายอะไรอะไรมาประกอบอาชีพเหน็ดเหนื่อยมาเป็นปีครึ่งปีอ้าวพวกหนึ่งโผล่พรวดขึ้นมาแย่งเลย แล้วก็ใครขัดขวางไม่ได้นะฮะเราสู้กัดคืนไม่ได้ต้องฆ่าต้องฟันต้องยิงทิ้งอะไรแต่ไรโอ้มันรุนแรงโลกมนุษย์เนี่รุนแรงน่ากลัวน่าหวาดกลัวมากๆนั้นก็เกิดมาจากนี้แหละเกิดมาจากมันมีเชื้อกามาธาจูคือใจเราถ้าหากว่ามันไม่มีเชือ้อก็กิเลสเหล่านี้ถ้าเราเทียบดูในใ น, ในกระจกเนี่ย การตัวกสอบใจเห็นว่ามันไม่มีเชื้อหน้าไม่มีเชื้อนอนอ้าวมลงวันหยอดไข่ลงไปมันก็ไม่เป็นหน้าไม่เป็นนอนจิตใจของคนเราก็เป็นเช่นเดียวกันเมื่อไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีเชื้อของความใครในอารมณ์เช่นสมมติว่า มีอาหารสักอย่างหนึ่งเราไม่เคยกินเราไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินไม่เคยได้กลิน่นไม่เคยอะไรเลยเราไม่มีเชื่ อ, อยาเชื่ออยากอะ่ะไม่มีเชื่ออยากในอาหารเหล่านั้นใครจะชวนกินเราก็เฉยๆกวางแล้วก็เฉยๆไม่ไม่มีตัวกระตุ้นความอยากเพราะเราไม่เคยสัมผัสมาแต่วัวนใดที่เรา แต่สัมผัสมาใจมันจะถูกประตุ้นความอยากและเราก็อยากกินอยากกินสิ่งเหล่านั้นตอ น, นการมราคะมันก็เหมือนกันจิตกําหนัดด้วยอํานาจการมราคาในหมายความว่าเราผ่านกระบวนการการมราคะมาแล้วหรืออย่างน้อยที่สุดจะมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ประสบการณ์ส่วนหนึ่งมนุษย์เนี่ยมันเป็นธรรมชาติของสัตว์ ในฉากกามาประจรภูมิเพราะงั้นมันก็เป็นกระบวนการขธรรมชาติไปได้ก็เนียวนึกติดนึกแบบธรรมชาติไปได้เป็นสัญชาตญาณของสัตว์โลกจะเป็นมนุษย์หรือจะเป็นสัตว์เในชาติก็ตามมันก็เหนียวนึกติดนึกโดยโดยโดยสัญชาตญาณของมานได้มันก็เกิดการมาราค่าขึ้นทีนี้ สังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยการมราคาสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะลาเสียได้โดยประการใดยอมรู้ชัดด้วยประการนั้นก็รู้วิธีละก็คือพยายามพิจารณาในแง่ของความปฏิกรูลตวางลองสังเกตว่าตรรมานั้นจะบนเพรกันไปอย่างเงี้ยคือหมายความว่า รากงาวพื้นฐานของธรรมะจริงๆเนี่ยของกิเลสจริงๆมันมีไม่มากหรอกเพียงแต่ว่ามียาบมีกลางมีละเอียดมีนัยยะวิจิตพิสดารออกไปโดยประการต่างๆเพราะฉะนั้นเรานับไปนัามาเราก็จะเจอกันอย่างนี้การมราคะวันก่อนเราพูดการมฉันทะ น, นี่วันนี้มันเจอการมราคะ วิธีที่จะแก้กามรมาคะาก็ต้องพยายามมองให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามด้วยอสุภสัญญาคือกาหนดหมายว่าไม่สวยไม่งามแล้วก็สิ่งนั้นก็เป็นอสุภนิมิตคือเป็นที่ตั้งแห่งความไม่สวยไม่งามเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกโดยประการต่างๆ ก็พยายามมองให้เห็นไปตามนั้นแต่มองครั้งสองครั้งสิไม่เห็นก็ต้องพยายามมองมากๆ ม, มองนานๆคิดบ่อยๆคิดอยู่สม่ำเสมอคิดอย่างต่อนเนื่องเด่นกว่าจะรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นทีนี้การละขาก็อย่างที่บอกแล้วว่ามันละขาที่ระดับพระอนาคา ม, มี แต่เนื่องจากมันเป็นกิเลสประเภทโลภะกิเลสประเภทโลภะเราอย่าลืมมารู ป, ปราคาอารูุปราคาในรูปฌานกับในอรูุปราชาเนี่ยมันก็เป็นอาการของราคาประการหนึ่งเหมือนกันประการลัได้เดือนขาดจริงๆต้องเป็นระดับพระอารหันต์อย่างที่หลวงพ่อเจ้าส่งชากว่าวิราโกเศธโธธรรมานังเนหมายถึงพระอารหันต์ ทีนี้สังโยชน์ประการต่อไปก็คือปฏิฆะปฏิฆะนั้นเป็นโทสะนั่นแหละแต่ว่ามันไม่แรกมันขนาดรำคาญหงุดหงิดงุดงนง่านอึดอัดชิงชังมันไม่ถึงกับชิงชังกันนะชิงชังมันแรงไปหน่อยคือว่ามันอึดอัดมันรำคาญมันหงุดหงิด มันไม่สะเบยอ่ะอยู่ตรงนั้นไม่สะเบย์ไม่ไม่อยากได้ฟังได้เห็นได้ยินได้ดมได้ลิ้มได้จิมได้จัต้องมันก็เกิดมาจากพยาบาทธาตุมันก็ผ่านกระบวนเการเนี่ยทีนี้เมื่อมีธาตุมันก็มีสัญญามีสัญญามีสังกปะมีสังกปะมีไปเป็นปริลาหะ ไปลาหะเขมีปริเยสนาปริยสนาก็มีตันหาหาถูกบ้างหาผิดบ้างแต่หาถูกเขาเรียกอริยปริยสนาต่หาผิดเขาเรียกอนารยะปริยสนาแล้วก็ไปเรื่อยไปจนถึงรบรากระฟันยื้อแย่งกินกันวุ่นวายก็หาข้อยุติไม่ค่อยได้ดังกล่าวทีนี้การมาลาคานี่มันมีธาต อันนี้ไม่ใช่คือว่าพยาบาทธาตุเนี่ยมันก็มีพยาบาทธาตุการราคะมันก็มีกามาธาตุพอมาถึงปฏิฆะมันก็มีพยาบาทธาตุเตรียบธาตุสายโทสะกับธาตุสายราคะเท่นั้นเองเพราะนั่น เ, น ม, เมื่อคนสัมผัสอารมณ์ถ้าขาดการใช้ปัญญาพินิจพิจารณา ด้วยอำ น, นาจของเมตตาเอนดูหมายความว่ามองกันด้วยความเมตตาเอนดูบ้างแล้วในโอกาสที่จะเบียดเบียนประทุษร้ายทำลายล้างกันก็จะบังเกิดขึ้นดังนั้นท่านก็สอนให้เจริญเมตตาพยายามเจริญเมตตาต่อกันเมตตาแผ่ไปในคนข้างหลาย ปรารนาการอยู่ร่วมกันโดยไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ปะทุทรลายกันให้แต่และชีวิตอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนซึ่งก็แน่นอนแหละพิจารณาครั้งสองครั้งมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกก็ต้องพยายามพิจารณาไปเรื่อยแต่และอย่างนี่เรียกว่าปีนบันไดสวรรค์ทั้งนั้นแหละขึ้นยากทั้งหมด ม้แต่จะบันทอาโทสะอย่างเดียวนี่นะบันทอโทสะอย่างเดียวเช่นคนพวกมีลาบมียศมีสุขมีสันเสริญมากนี่จะโทสะได้ง่ายแล้วโลภาก็ง่ายด้วยนะฮะโลภาก็ง่ายด้วยเพราะว่าสิ่งที่ท่านได้นะั้นมันต่อยอดไปเยอะแล้วแล้วก็อยากได้ต่อจากนั้นอีกก็ทำให้เกิดกามราคะในอารมณ์นั้นนั้น การต่อไปก็คืออะไรล่ะรู ป, ปราคารู ป, ปราคานี่มันมีสองในอย่าหมายความมาถ้าเขาอยู่ในที่ทั่ ว, วไปไม่เรียงลำดับแบบสังโย์อย่างนี้ก็เป็นเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสปรภะทั่วทั่วไปนั่นแหละแต่เราต้องทำมารุมทั่วท่วไป แต่ว่าในที่นี้มันเรียงตามลำดับของสังโยชน์สิบเรียงตามลำดับของสังโยชน์สิบรู ป, ปราคาในที่นี้หมายถึงความกำนัดพอใจในรูปประจำกำนัดพอใจยินดีในรูปประจำแล้วก็ถามมารูปประจำเนี่ย มันเป็นอะไรเป็นผลของการปฏิบัติมาจากโน้นและมาจากศีลมาระหว่างข้าวสมาธิมาเข้าฌาตนตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปก็ถือว่าเป็นรูปฌานเราก็ดูว่าสังโยชน์เนี่ยมันเกิดขึ้นหรือว่ายังไม่เกิดถ้ายัางไม่เกิด ก็รู้ชัดว่ามันยังไม่เกิดถ้าเกิดก็รู้ชัดว่ามันเกิดแล้วสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสยได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดด้วยประการนั้นที่จริงระดับรู ป, ปราคาเนี่ยมันเป็นอะไรล่ะมันเป็นข่าศึกของพระอราหันต์นะ มันเป็นข่าสึกของพระอรหันต์ไม่ใช่เป็นข้าสึกของคนรูปตัวไปเพรางคนรูปไปไม่ต้องลามันหรอกได้มันก็บุญโคแล้วได้รู ป, ปรชานขึ้นมาก็อย่างน้อยก็พักสังสารวัตรอยู่นานนะก็เล่นกัดเป็นกลับเปน็นกันกันทีเดียวไม่ต้องไปเวียนว่าแต่เกิดซ้ำซ้ำซากๆากจำเจ ยุ่งจริงๆเลยเกิดมาชาติทางนี้มีแต่โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนไม่อยู่นิ่งเป็นนั่นเป็นนี้เป็นนอนต้องมีอันให้สัญญาทุกวันกินยาทุกวันโอ้มันยุ่งยุ่งเหลือเกินร่างกายเนี่ยก็ถ้าจิตไปกำหนัดยึดติดในรูปฌานมันก็ดีอะสำหรับสําหรับพระอระหันต์ไม่ใช่ สำหรับพระนาคามีสำหรับพระนาคามีลงมานะฮะสหรับพระนาคามีลงมาแต่แน่นอนแหละถ้าไปติดอยู่ตรงนี้มันก็เป็นพระนาคามีแหละทีนี้อรู ป, ปราคะนั้นมันก็เป็นต่อจากรูปฌานก็มาดูที่อรูปฌานถ้าถ้าก็อยู่เดียวๆนะฮะถ้าก็อยู่เดียวๆ ไม่ใช่เขากากลุ่มกันอย่างนี้ถ้ากลุ่มอย่างนี้หมายถึงรูปประชานกับอรูประชานเพราะฉะนั้นพอเป็นอรูประชานใจก็กำนัดพอใจยึดติดอยู่ในอรูประชานแล้วท่านก็จะต้องมองให้เห็นว่าพวกเนี้มันเกิดเป็นปัญหาแล้วสําหรับพระอรหันต์ แต่ประหันะรหท่านไว้นะฮะพระหันท่านไวไม่ใช่อย่างเราเราเราก็ทำอย่างท่านไม่ได้หรอกพระหานท่านไว้ท่านตัดสินใจได้เร็วปัญญาท่านแหลมสติก็แหลมความเพียรก็แก่กล้ามันโอคนสมบูรณ์พร้อมก็พยายามละ ลาเพื่อเข้าสู่นิพพานนะฮะลาเพื่อเพื่อนิพพานทีนี้ข้อต่อไปก็คือรู ป, ปราคารู ป, ปราคามานะมานะเป็นความถือตัวอย่างหยาบสุดนี่นะอย่างหยาบสุด ก็เป็นผู้เลิศกว่าเขาสําคัญว่าเลิศกว่าเขาเป็นผู้เสมอเขาสาคัญตัวเสมอเขาเป็นผู้เร็วกว่าเขาสำคัญตัวเร็วกว่าเขาเป็นผู้เสมอเขาสําคัญตัวเลิศกว่าเขาสำคัญตัวเสมอเขาสำคัญตัวว่าเร็วกว่าเขาเป็นผู้เรวกว่าเขาสําคัญตัวเลิศกว่าเขาเสมอเขาแล้วก็เร็วกว่าเขารวมแล้วเรียกว่ามานาเก่าแต่มานาในชั้นนี้มันไม่ทะยานยากอย่างนั้นเหรอ เป็นมาหน้าที่มันเกิดรู้สึกว่าเราเป็นเขาเรียกอาทิมานาคือรู้สึกว่าเราเป็นรู้สึกว่าเราเป็นก็ผิดนะเพราะว่าเราไม่เป็นจริงคนที่ยังไม่บรรลุมรรคผลเป็นประหารมักจะสำคัญผิดคิดว่า เราเป็นพระอาหารหันเอาได้ไง่ายเขาเรียกอธิมานะคือเข้าใจเอาสำคัญมั่นหมายเอาปักใจเอายึดมั่นถือมั่นเอาก็พยายามมองดูว่ามันเกิดขึ้นหรือไม่แต่มันเกิดเนี่ยจะละได้ยังไงละได้หรือไม่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกโดยประการใดก็ ทำด้ดยประการนั้นในชั้นนี้มันเป็นเรื่องอรหันตมรกคแล้วเรื่องยากแต่ว่าในระดับที่ลดหลั่นลงมาเนี่ยเราก็ลดลดมานะเท่ากนพยายามที่อย่าอย่าให้มานะมันเขืองมากเกินไป ตาตดวงตนมันเขือกมากเกินไปเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นเราเป็นเจ้าคุณช น, นั้นชั้นนี้ชั้นโน้นอะไรอะไรต่างๆนั้นก็เพ้นเรื่องสมมติบัญญัติะไม่กี่วันเราก็ตายนะอย่างอาตมาตอนนี้ก็เป็นชั้นชั้นแต่ที่พระธรรมเมธาพร แม่ก็ดูแลก็ใครจะนาดีใจแต่ว่าอายุเราเจ็ดสิบเจ็ดแล้วเราจะอยู่ได้สักกี่วันสักสิบปีถึงหรือเปล่าก็ไม่น่าจะถึงก็แสดงว่าอาจจะสองสามปีสี่ห้าปีเราก็ตายแล้วเราก็ไม่ได้เป็นนะคน เ, เป็นยิ่งเป็นช้าเนี่ยยิ่งเป็นน้อย ยิ่งเป็นเร็วเนี่ยเป็นได้นานแต่ก็อีกันแหละก็ชีวิตมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นเร็วอายุสั้นอาจจะตายเร็วก็ได้เป็นช้าแต่อายุมากอาจจะตายช้าก็ได้แต่สรุปว่ามันก็ตายเหมือนกันคือจบที่เรามาจากอะไรเรามาจากไม่ได้เป็นเรามาจากไม่เป็นฟก่อน เป็นมันก็เป็นสมมติบัญญัติเคล็ดมาในสังคมมนุษย์แล้วก็จําได้หมายรู้กันในหมู่สังคมมนุษย์ใครๆกันเนี่ยใครๆกับพระไทยพระไทยก็รู้กันในหมู่พระไตยพระม้า ก, ก็ไม่เกี่ยวอะ่ะก็ก็นับไม่ถูกอ่ะก็ก็เรียกเขาเราเข้ไม่ถูกไอ้พระจีนเขาก็นับไม่ถูกอะ่ะเราก็นับของพระจีนไม่ถูกจีนก็นับของพระเราไม่ถูก เรแสดงก็เห็นว่าเป็นเรื่องของการสมมติบัญญัติขึ้นมาแต่ว่าคนก็ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้แต่การต่อไปอุทัศจักุกุฏไม่ใช่อุทัศจนะอุทัศจเฉยๆไม่มีกุกุจะแล้วตอนนี้มีอุทัศจเฉยๆเป็นอาการฟุง้งแต่ฟุ้งอย่างนี้มันเป็นฟุ้งที่ค่อนข้างละเอียดแล้ว ไม่ใช่ฟุ้งหยาบหยาบอย่างสามัญชนตัวไปถ้าพูดระดับสังโยชนะถ้าพูดระดับสังโยชน์เนะนี่ยมันเป็นฟุ้งที่ไม่ค่อยจะรุนแรงไม่ค่อยจะ ห, กหักฐานไม่ค่อยจะกล่าวร้าวอะไรมากนะักเพราะฉะนั้นท่านก็สอนให้พิจนารณาโดยในย่าดังกล่าวนะฮะอันหนึ่งสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดขึ้นโดยประการใดย่อมรู้ชัดโดยประการนั้นก็ดูซีว่า อุทัจานิวรณ์อุทัจาสังโยชน์เกิดฟุ้งขึ้นภายในใจของเราหรือไม่แต่มันเกิดขึ้นฟุ้งขึ้นก็รู้เห็นตามความเป็นจริงทีนี้ถ้าไม่เกิดก็รู้เห็นตามความเป็นจริงทีนี้ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำยังไงจะดับได้บอกแล้ววันนี้มันมือระดับพระอาราหันต์นะมือระดับพระอาราหันต์คนทั่วไปมันก็ดับไม่ได้ บรรเทาเนี่ยได้อต่มายังมองไปในแงบ่บรรเท่าเราไม่คิดว่าเราจะสอนคนมันรู้มรรคผลเป็นประหารได้หรอกเราเองก็คงจะไม่บรรลุมรรคผลเป็นประหารแต่เราก็จะพยายามบรรเทาจะคิดเพียงแค่บรรเท่าเท่านั้นเองลดลงไปให้ได้มากที่สุดมากขนาดไหนก็ไม่รู้ตบบามกำลังความสามารถของเราที่จะทําให้มากได้ลดลงไปให้ได้มากๆ ดีกว่าปล่อยมากิเลสหนาขนาดไหนกลับไปกิเลสหนายัางงั้นด้วยก็ อ, อาการมันก็หนักประการต่อไปก็คืออวิชชานี่ยรากเงาใหญ่เลยทีนี้รากเงาใหญ่เลยอวิชชานั้นทำลายเขาได้โดวยวิชาเท่านั้นเองอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงว่าวิชาเกิดขึ้นอวิชชาดับไปมันแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหายไปเนี่ย เพราะอะไรเพราะวิชามันคือความไม่รู้ในอริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการตามที่มันเป็นจริงบนการรู้แจ้งในอริยสัจสี่ประการมันก็ต้องรู้ได้ยากแล้วก็เป็นญาณที่สมบูรณ์ด้วยนะฮะไม่ญาณครึ่งครึ่งกลางๆต้องเป็นญาณที่สมบูรณ์ด้วยอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในธรรมจักรปัตนาสูตรที่ว่า อีดังดุขัางอริยสัจันติเมภิกเวปุเบสุอ น, นุสุตเตสุธรรมเมสุจะคงดับปฎิยนดดานังเป็นต้นเนี่ยว่าไปตลอดสายเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่เป็นจกักขุปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่ปรองไม่ได้เคยสะดับมาในการก่อนว่าไอนี้เป็นทุกข์ทุกขควรกนหนดรู้ แล้วเราได้กำหนดรู้แล้วอันนี้เรียกว่าญาณรู้ด้วยญาณมันผุดขึ้นมาเองมันผุดขึ้นภายในใจเองแล้ววินิจฉัยเองตัดสินใจเองแล้วก็ดูรู้ด้วยตัวเองว่าอะไรเป็นอะไรจากนั้นก็มีสัจญานคือผุดขึ้นรู้เห็นความจริงว่านี้คือเหตุเกิดแห่งทุกข์ แล้วก็กิจยานก็รู้ว่ากิจแห่งทุกขเราได้ไอ้ไม่อยากกิจแห่งทุกต้องทําให้แจ้งแล้วเราก็ได้ทําให้แจ้งแล้วนี่คือนิโรธไม่ใช่ไอ้นี้ก็คือสมุทัยศาตร์นะฮะสมุทยัยสัสตร์เป็นสิ่งที่ควรละเราได้ละแล้ว นี่คือนิโรดนิโรธควรทำให้แจ้งเราทำให้แจ้งแล้วนี่คือมรคมรควรเจริญเราได้เจริญแล้วไอ้นี้เรียกว่าครบครบชุดเป็นาญาณสามซึ่งเกิดขึ้นในริยะสัตว์สี่มีวนสามมีอาการสิบสองของพระองค์บริสุทธิ์หมดจดอย่างแท้จริงก็เป็นเหตุให้ ทรงปฏิญาณว่าเป็นราหันและสัมมาสัมพุทธะในมูเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่ก็คือแนวของอายตนาปะภะสรุปแล้วก็คือว่าเราต้องรู้จักอายตนาภายในและตาภายนอกแล้วรู้จักสังโยชนนะฮะรู้จักรู้รู้จักรายใหญ่นสามกลุ่มด้วยกันแต่ทีจริง จริงเป็นเรื่องแปลกนะยตนาภายในภายนอกเนี่ยพูดไปพูดมาเราก็พูดกันเยอะในสังคมไทยเนีเอาเข้าจริงไม่เข้าใจกันยังไม่สามารถสื่อสารกันได้ว่ายตนานั้นคืออะไรจากจากข้อยตนะรูปายตนาสัทธายตนากันธายตนารสายตนาปุถะภายตนา หรือทงข้างในข้างนอกนี่เรียกว่ายตนาด้วยกันแล้วโกรกเรามันก็มีเท่านั้นเนี่ยมียตนาภายในภายนอกหมดอ่ะเราไปเรียกว่านามารูปตรงนี้ยเราไปเรียกว่านามรูปมันก็หมดแล้วหรือไม่เรียกว่ายตนาภายในภายนอกมันก็หมดแล้วเรียกว่ารูปนา ม, มนก็หมดแล้วนี่คือ อาอยาะหน้าปร ะ, ประต้องฟังทลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปรทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทลาย้วยทั่วกันสวัสดี